จร่อนผท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อใสายในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14กรัก่กรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบกเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญ มาล้บบางบามาชำระใจให้สะอาดรอยสุทธิด้วยการหยุดความอยากต่างๆเพื่อให้จิตใจมีความสุขและมีความเจริญอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความเจริญก็ดี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 มีมโนกรรมเป็นต้นเหตุเป็นผู้สั่งการถ้าไม่มีมโนกรรมก็จะไม่มีวจีกรรมไม่มีกายกรรมคือถ้าไม่มีความคิดสั่งให้พูดก็จะไม่มีการพูดถ้าไม่มีความคิดสั่งให้ทำก็จะไม่มีการกระทาถ้าไม่มีการพูดไม่มีการกระทำ ก็จะไม่มีผลตามมาแต่อย่างใดถ้ามีการคิดที่ไม่ดีแล้วก็สั่งไปให้พูดไม่ดีทำไม่ดีผลเสียก็จะตามมาความเสื่อมเสียต่างๆก็จะตามมา <c oughs> เช่นสั่งให้ไปฆ่าสั่งให้ไปลักทรัพย์สั่งให้ไปพูดปดสั่งให้ต่อพืชผิดประเวณี สั่งให้ดึงสุรายามาพอทำไปแล้วผลเสียหายก็จะเกิดขึ้นทั้งกับตนเองและแก่ผู้อื่นถ้าฆ่าผู้อื่นก็ต้องเสียชีวิตไปถ้ารักทรัพย์ผู้อื่นก็่าต้องสูญเสียทรัพย์ไปถ้าประพฤติผิดประเวณีผู้อื่นก็จะสูญเสียบุคคลที่รับไปเช่นสามีภรรยาบุตรธีดา ถ้าพูดปดก็จะสร้างความเสียหายเพราะจะทำให้ผู้อื่นเขาเข้าใจผิดหลงผิดทำให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้อื่นได้และถ้าเดิมสุรายาเมาเมื่อดื่มไปแล้วก็จะเกิดอาการมึนเมาจะไม่สามารถประครับประคองการกระทำการพูดให้อยู่ในความสวยงาม ให้อยู่ในความถูกต้องได้จะพูดแบบไม่น่าฟังพูดคำหยาบพูดเพื่อทะเลาะวิวาสแล้วก็เกิดการทุกตีทาร้ายร่างกายของผู้อื่นและของตนเองมีแต่ความเสียหายถ้าคิดไม่ดีการพูดก็จะไม่ดีการกระทาก็ไม่ดีในทางตรงกันข้าม ถ้าคิดดีการพูดก็จะดีการกระทำก็จะดีผลก็จะเกิดก็จะเกิดผลดีเกิดประโยชน์เกิดสุขกับตนเองและแก่ผู้อ mm ื hmm. ่นเช่นวันนี้เราคิดว่าจะมาวัดมาทำบุญมาละบากมาชำระใจให้สะอาดแล้วเราก็สั่งไปทางวาจา ให้พูดให้ชวนเพื่อนสนิทมิตรสหายมาร่วมกันทำบุญมาวัดกันพอชวนกันแล้วพอได้เวลาก็ออกเดินทางเอาร่างกายนี้เอาข้าวเอาของเอาสิ่งต่ตางๆที่จะมาทำบุญแล้วก็ออกเดินทางกันมาที่วัดพอมาถึงวัดได้ทาบุญ กเกิดความสุขใจผู้ที่รับสิ่งที่เอามาให้ก็ได้รับประโยชน์ได้รับความสุขเช่นเดียวกันผลก็คือความสุขใจความสุขใจนี้แปลว่าสวรรค์ส่วนความทุกข์ใจแปลว่านารมณ์คาว่าสวรรค์และนารกนี้ไม่ได้เป็นสถานที่ เหมือนกรุงเทพหรือพัทยาที่เราต้องเดินทางไปกันคำว่าสวรรค์นรกนี้อยู่ในอกอยู่ในใจนรกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจใจของพวกเราทุกคนนี้มีทั้งนรกมีทั้งสวรรค์สลับกันไปเวลาที่เราคิดดีพูดดีทำดีใจเรามีความสุข ใจเราก็เป็นสวรรค์เวลาที่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใจเรามีความทุกข์ใจเราก็เป็นนรกนี่คือเรื่องของนรกและสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเราเองอยู่ในใจของเราและการเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ ก็อยู่ในใจของเรานี่เองจะเป็นนรกสัตว์นรกจะเป็นเปรตจะเป็นผีจะเป็นเดรัจฉานก็อยู่ในใจของเราจะเป็นมนุษย์จะเป็นเทวดาจะเป็นพรหมจะเป็นพระอริยเจ้าก็เป็นที่ใจของเราไม่ได้เป็นที่ไหนการเป็นการเป็นสัตว์ชนิดต่างๆนี้ เกิดจากกายกระทาของเราทางกายทางวาจาทางใจนี่เองถ้าเราทำบาปด้วยความหลงเราก็จะเป็นเดรัจฉานถ้าเราทำบาปด้วยความโลภเราก็จะเป็นเปรดถ้าเราทำบาปด้วยความกลัวเราก็จะเป็นผีเป็นอสุ ร, รกายถ้าเราทำบา ด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเราก็จะเป็นนรกใจของเราจะเป็นนรกถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะเป็นมนุษย์แต่ใจของเราได้เปลี่ยนไปแล้วเป็นเปลี่ยนไปเป็นเดรัจฉานบ้างเปลี่ยนไปเป็นเปรตบ้างเปลี่ยนไปเป็นอสูรกายบ้างเปลี่ยนไปเป็นนรกบ้างขึ้นอยู่กับการกระทำของเรา ถ้าทำบาปแล้วก็จะต้องได้รับผลเหล่านี้อย่างแน่นอนถ้าทำบุญก็จะได้เป็นเทพขั้นต่างๆถ้าฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเช่นให้นั่งสมาธิทําใจให้สงบให้นิ่งให้เย็นสบายก็จะเป็นพรหมขั้นต่างๆถ้าสอนใจให้หยุดความอยากให้ตัดความ ผูกพันกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะให้เพราะว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นสุขเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้เหมือนยาขมเคลือบน้ําตาลเวลาน้าตาลละลายไปแล้ว <c oughs> ก็จะพบกับความขมฉันใดความสุขที่เราได้พอมันพอมันหมดไปแล้ว ก็จะเหลือความทุกข์ตามมาเช่นความสุขที่ได้จากการอยู่กับสามีภรรยาพอสามีหรือภรรยาจากเราไปความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ถ้าเป็นความทุกข์ที่รุนแรงก็อาจจะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป ผู้ใดถ้าเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรพอหยุดความอยากได้ก็จะได้เป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นอารหาันตะ์ก็จากการทำบุญนะ เกิดจากการทำใจให้สงบและเกิดจากการสังสอนใจให้ฉลาดให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขปลอมความสุขที่ยุ้มหอ่อความทุกข์เอาไว้ความสุขบางๆพุ้มหอ่อความทุกข์หนาๆเหมือนกับน้ำตาลเคลือบยาของ ถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามีปัญญามีปัญญาก็จะหยุดความอยากได้หยุดความอยากได้ก็จะหยุดความทุกข์ต่างๆได้หยุดการเวียนว่าตายเกิดได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรก ไม่ต้องไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเพราะว่าภพชาติเหล่านี้เป็นภพชาติที่ยังมีความทุกข์อยู่เพราะว่ายัางต้องเสือ่อมเป็นพรหมก็จะเสื่อมลงมาจากพรหมก็มาเป็นเทพจากเทพก็จะกลับมาเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเวียนวาดมาเกิดแก่เจ็บตายมาทุกข์กับความพัดผ้าจากสิ่งต่างๆ ที่รักที่ชอบไปถ้าไปทําบาป ก, ก็จะต้องไปใช้กรรมไปเป็นเยรัฉานเป็นเปลวเป็นอสุรกายไปตกนรกแต่ถ้าสามารถหยุดความอยากได้หมดใจสะอาดบรยสุดปราศจากความอยากใจก็จะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดใจก็จะเป็นนิพพาน คำว่านิพพานนี้ไม่ได้หมายความว่าใจหายไปเลยใจสูญไปเลยใจก็ยังอยู่เหมือนตอนที่ยังไม่ได้เป็น น, นิพพานใจนี้ไม่มีวันสูญไม่มีวันหมดไม่มีวันตายไม่มีวันสิ้นไม่ว่าจะเป็นใจของปุุชนอย่างพวกเราทั้งหลายหรืออย่างของพระอริยเจ้าทั้งหลายใจก็ยัง มีอยู่เหมือนเดินแต่อยู่ในสภาพที่แตกต่างกันไปตามกรรมที่ได้ทำเอาไว้ตามบุญตามบาปที่ได้ทำเอาไว้ถ้าทำบาปก็จะต้องเป็นเป็นสัตว์ในอบ า, ายถ้าทำบุญก็จะเป็นสัตว์ในสุขติในสวรรค์ในนิพพานพระพุทธเจ้าไม่ได้สูญหายไปไหนเพียงแต่ว่าท่านไม่ กลับมาเกิดมามีร่างกายเพื่อจะมาติดต่อกับพวกเราแล้วเท่านั้นเองพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราทำบุญละบาปหยุดความอยากได้ใจของเราก็จะเป็นนิพพานเหมือนกับของพระพุทธเจ้าเหมือนกับของพระอาหารหันต์ทั้งหลายแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมามีร่างกายอีกต่อไป าการมีร่างกายนี้ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเมื่อมีร่างกายแล้วก็ต้องดูแลเลี้ยงดูร่างกายต้องให้อาหารให้อยู่ให้ยาต้องอาบน้ำอาบท่าดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลาดูแลให้ดีอย่างไรก็ยังไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้ร่างกายแก่ ไม่ให้ร่างกายจิตใข้ได้ป่วยไม่ให้ร่างกายตายไปได้ดังนั้นการมาเกิดจึงไม่ใช่เป็นการกระทําที่จะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์การจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องไม่เกิดเท่านั้นดังที่มีสุภาษิตที่ทรงตัดไว้ว่าทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้น ถามใดที่ยังมีการเกิดอยู่ถามนั้นก็ยังจะต้องมีความทุกข์ที่เกิดจากการความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพลาดจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆความทุกข์ที่เกิดจากการจะต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาเช่นความยากจนความอดอยากขาดแคลนอันนี้แหะ เป็นเรื่องของใจของเราที่ไม่มีวันตายแต่ยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่ระหว่างสวรรค์กับนรกอยู่ถ้าทำบุญลาบาปทำใจให้สงบก็จะขึ้นไปถึงขั้นพรหมโลกถ้าหยุดความอยากได้สอนใจให้ฉลาดไม่ให้หลงอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ก็จะไปถึงพระนิพพาน ถ้าถึงขั้นทีานแล้วก็จะไม่เสื่อมกลับมาสู่โลกของพรหมโลกของเทวดาหรือโลกของมนุษย์แต่ถ้าขึ้นไปเพียงขั้นของโลกของของพรหมก็จะเสื่อมพรหมนี้จะเสื่อมเทวดาก็จะเสื่อมเหมือนตายไปตายจากพรหมก็มาเกิดเป็นเทวดาตายจากเทวดาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วถ้าพอมาเกิดเป็นมนุษย์มาทำบาปด้วยความหลงไม่รู้ว่าทำบาปแล้วต้องไปรับผลบาปคือไม่คิดว่าเป็นบาปเช่นพวกที่ทำอาชีพฆ่าผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีพตนเองเช่นเป็นชาวประมงเป็นผู้ลาา่าสัตว์หาฆ่าสัตว์เพื่อที่จะเอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง โลกนี้ตายไปก็จะเป็นเป็นเดรัจฉานเพราะเดรัจฉานเขาก็ไม่รู้ว่าการฆ่านี้จะมีผลบาปตามมาเดรัจฉานเขาอยู่กันด้วยการกินผู้อื่นสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยมนุษย์ถ้าทําตัวอย่างนั้นก็เป็นเดรัจฉานถึงแม้ว่าร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี่ได้กลายเป็นเดรัจฉานไปแล้วถ้าไม่อยากจะเป็นเดรัจฉาน ก็ต้องละเว้นอาชีพที่ต้องฆ่าผู้อ่นเช่นอาชีพค้าเป็ดค่าเป็ดค่าไก่ค่าหมูค่าวัวฆ้าควายค่าปลาเช่นเปิดร้านอาหารแล้วก็เอาปลามาใส่ในแท้งเวลาคนต้องการจะกินปลาก็หยิบปลาออกมาจากในแท้งเอามาฆ่าทำเป็นอาหารหรือ ไปสั่งให้เขาฆ่าสัตว์ชนิดต่างๆเพื่อเอามาขายที่ร้านเช่นไปสั่งที่ตลาดว่าต้องพวกนี้ต้องการไก่ห้าตัวหมูสองตัวถึงแม้ว่าไม่ได้ฆ่าเองแต่สั่งเขาฆ่าก็มีบาปเท่าๆกันถ้าไม่อยากจะเป็นเดรัจฉานก็ต้องหลีกเลี่ยงการฆ่าผู้อื่นเพื่อดำรงชีพเพื่อยางชีพของตนเอง หาอาชีพอื่นทำได้อาชีพอื่นมีเยอะแยะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นคนตัดพระเย็บเสื้อผ้าทรมาค้าขายของที่ไม่ไม่มีชีวิตก็จะไม่มีบาปตามมาแต่อย่างใดแต่ถ้ารรมธรมาหากินแล้วเกิดความโลภอยากได้มากๆก็เลยไปทำบาปเช่นโกหกหลอกลวงผู้อื่น เพื่อจะได้เอาเงินทองจากเขามาหรือไปลักทรัพย์ของผู้อื่นหรือไปค่าไปทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งๆ ท, ที่ตนเองก็ไม่เดือดร้อนมีเงินทองหรือเฟือแต่อยากจะได้เงินมากๆอยากจะร่ำอยากจะรวยก็เลยไปทำอาชีพที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าทำอย่างนี้แล้ว ตายไปก็จะต้องไปเป็นเปรตถึงแม้ในปัจจุบันจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่ใจนี้ได้เป็นเปรตไปแล้วเพราะการกระทํานั้นการกระทําตามแบบของเปรตนั่นเองก็คือทําบาปด้วยความโลภถ้าทําร้ายผู้อื่นทําบาปเพื่อปกป้องชีวิตของเรากลัวว่าผู้อื่นเขาจะมาทําร้ายเราเราก็เลยไปทําร้ายเขาก่อน อย่างนี้ก็จะเป็นอสูรกายหรือเรียกว่าผีแล้วถ้าทำบาปด้วยความโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตยายบาปเ mm hmm. ช่นมีคนมาทำให้เราเสียอกเสียใจทำให้เราเครียดแค้นขึ้นมาเราก็เลยไปฆ่าเขาอย่างนี้ตายไปไม่ต้องตายไปทำไปแล้วก็ใจก็จะเป็นนารกทันที และหลังจากที่ไม่มีร่างกายก็จะต้องเป็นนรกต่อไปจนกว่าไฟนรกนั้นจะไม่หมดไปจนกว่าบาป ท, ที่เกิดจากความเครียดแค้นจะไม่หมดไปถึงจะได้กลับขึ้นมาเป็นมนุษย์ใหม่นี่แหละคือเรื่องของชีวิตของพวกเราพวกเรานี่เวียนว่ายตายเกิดเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติมา น้ำไม่ท่วแล้วล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆตราบใดที่เราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราก็จะได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ในคราหนิภาน ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอีกต่อไปถ้าเราไม่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆบางภพชาติก็ดีบางภพชาติก็ไม่ดีขึ้นอยู่กับการกระทําของเรา ถ้าเรายังคิดว่าเรายังไม่สามารถที่จะปฏิบัติถึงขั้นพระนิพพานได้คือหยุดความอยากต่างๆภายในใจให้หมดไปได้อย่างน้อยที่สุดก็ขอให้เราทำทาบุญละบาปเพื่อที่การเวียนว่ายตายเกิดของเราจะได้เกิดยุดระหว่างภพของของสวรรค์กับภพบของมนุษย์ไม่ต้องไปเกิด ในพบของเดลตาชานของเปรยของนรกเพราะว่าการทําบาบนี้จะทําให้เราต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าเราไม่ทําบาปได้เราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเราทําบุญด้วยละบาปด้วยเราก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทพแต่ถ้าเราอยากจะไปสูงกว่า น, นั้น เราก็ต้องหยุดความอยากด้วยการทำสมาธิพอใจสงบเป็นสมาธิใจก็จะเป็นพรหมถ้าเราต้องการให้ใจไม่เสื่อมกลับลงมาให้เป็ น, เ, เ, ปนเป็นพระนิพพานเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจหยุดความอยากความอยากที่หยุดด้วยสมาธินี้ หยุดชั่วคราวไม่หยุดถาวนพอกำลังของสมาธิหมดไปจิตก็จะเกิดความอยากก็จะเสื่อมลงมาจากพรมาเป็นเทพต่อไปแต่ถ้าหยุดความอยากด้วยปัญญาความอยากนี้ก็จะหายหมดไปไม่มีวันฟื้นคืนมาถ้าไม่มีความอยากก็จะ อยู่ในนิพพานนี่คือทางเลือกของชีวิตของพวกเราพวกเราทุกคนนี้มีทางเลือกกันถึงแม้ว่าบุญกรรมในอดีตเป็นผู้ส่งให้เรามาได้เกิดดีหรือเกิดไม่ดีก็ตามแต่นั่นมันเป็นบุญกรรมที่เราทำไว้ในอดีตผลที่เราได้รับในปัจจุบันนี้ เป็นผลที่เราได้รับจากบุญกรรมที่เราทําไว้ในอดีตแต่ผลที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าคือตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเกิดจากการกระทําของเราในวันนี้ถ้าเราทําบุญละบาตรรับรองได้ว่าตายไปจะต้องไปสวรรค์อย่างแน่นอนถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะไปนิพพานอย่างแน่นอนแต่ถ้าเรายัง ละบาปไม่ได้ยังต้องทำบาปอยู่ตายไปเราก็ต้องไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนเรื่องของบุญของบาปนี้ไม่มีใครมายับยั้งได้เมื่อทำไปแล้วผลของบุญของบาปนี้ไม่มีใครไปลบล้างได้ไม่มีใครมาไถ่าบาปให้กับเราได้เมื่อทำแล้วมันก็จะต้องส่งผลอย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองบุญบางอย่างก็เกิดเร็วส่งผลเร็วบาปบางอย่างก็ส่งผลเร็วบุญเนี่ยบางอย่างบาปบางอย่างก็ส่งผลช้าเหมือนกับต้นไม้บางชนิดก็ออกดอกผลได้รวดเร็วบางชนิดก็ออกดอกออกผลได้ชา้าแต่จะช้าหรือจะเร็วมันก็จะต้อง ออกดอกออกผลอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะรับผลบาปก็อย่าไปทำบาปถ้าเราอยากจะรับผล <ừ. S 1> บุญเราก็ต้องทา <ำ S 2> <ừ. S 1> บุญให้มากๆถ้าเราเบื่อกับการเงินไหวตายเกิดเราก็ต้องชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการกาจัดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปอันนี้เป็นหลักสาคนไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาหรือสถานที่สมัยพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธการกฎแห่งกรรมนี้ก็เป็นอย่างนี้สมัยที่เราอยู่กันในวันนี้กฎแห่งกรรมก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่และในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ึงสอนเหมือนกันก็คือสอนให้ทาบุญละบาปทำละใจให้สะ า, ารบริสุทธิ์ให้ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจดังนั้นไม่ว่าเราจะไปพบกับพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามก็จะพบกับคำสอนแบบเดียวกันดังนั้นเราอย่าหลอกตัวเราเองว่า ไว้รอให้พบพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก่อนแล้วรอค่อยปฏิบัติตามความสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆประโยคสอนหลวงจันมฤต mm hmm. เวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วสําหรับพวกเราเพราะว่าไม่ใช่ที่จะมีโอกาสได้มาเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพร้อมๆกันนานๆจะเกิดโอกาสแบบนี้สักครั้งหนึ่ง เพราะว่ า, ว า, นานานจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้เป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกสักครั้งหนึ่งเวลาของระหว่างพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์นี้ห่างกันเป็นกับคำว่ากับนี้เป็นเวลาที่ยาวมากเอาล้านมาคูณล้านก็ยังไม่ยาวเท่ากับกับและการที่เราจะได้มา เกิดมาได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและได้เป็นมนุษย์นี้จึงเป็นสิ่งที่ยากมากถ้ามาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เป็นมนุษย์เช่นได้มาเกิดเป็นสุนัขแล้วมาอาศัยอยู่กับวัดอย่างนี้ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนานอกจากได้รับความเมตตาได้รับอาหารที่พระ มีเหลือเอามาเลียงดูแต่ไม่สามารถรับรู้คำสอนอันประเสริฐที่จะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์และต้องมาพบกับพระพุทธศาสนาถึงจะมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนและได้ปฏิบัติ จนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ตอนนี้พวกเรามีโอกาสนี้แล้วเราได้เป็นมนุษย์แล้วเราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราไม่ตับตวงโอกาสนี้โอกาสอย่างนี้จะมาอีกก็เป็นเวลาอีกยาวนานทีเดียวเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ต้องล่องหอม่มล่องห้าไปอีกเป็นเวลาอันยาวนานแต่ถ้าเรามันศึกษาแล้วนำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของเราใจของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับขึ้นไปเป็นเทศขึ้นไปเป็นพรหและขึ้นไปเป็นพระอริยเจ้าต่อไป จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือทาบุญละบาปชำละใจให้สะอาดหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตรพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลและตระหนัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจใจให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแก้วลาปลอดภัยจากทุกภัย อันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ